ก็ไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรเลยแล้วจะอยู่ได้อย่างไรไมิกลายเป็นคนนิ่งเฉยไม่กระตือรือร้อนไม่มีชีวิตชีวาไปหรือคงเป็นอย่างที่เรียกว่าหมดอาลัยตายอยากข้อสงสัยนี้ที่จริงไม่ต้องตอบเดี๋ยวก็เข้าใจเองตอนแรกขอให้มองง่ายๆว่าที่ว่าทำอะไรอะไรทุกอย่างนั้นก็รวมอยู่ในการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะทาอะไร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 ไม่ชอบใจตัวชอบอะไรอะไรถูกลิ้นถูกหูถูกตาถูกใจก็อยากได้อยากเอาอยากกินอยากเสพเป็นต้นถ้าอะไรไม่ถูกลิ้นไม่ถูกหูไม่ถูกตาไม่ถูกใจตัวไม่ชอบก็อยากหนีไปเสียอยากทิ้งอยากทำลายเป็นต้นแล้วเจตนาก็ตัดสินใจทำไปตามนั้น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 มาคิดดูหน่อยการที่ชีวิตจะเคลื่อนไหวทาหรือไม่ทำอะไรนี้ที่จริงนั้นชีวิตมีความประสงค์มีความต้องการพูดง่ายๆว่ามีความอยากที่ลึกลงไปอีกคืออยากเป็นอยู่อยากรอดอยากปลอดภัยอยากแข็งแรงสมบูรณ์อยากมีความสุขอยากเป็นอยู่ให้ดีที่สุดพูดรวมๆว่าอยากมีชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์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 ที่จะให้มีชีวิตดีงามสุขสมบูรณ์ตอนนี้ปัญญาเองนั่นแหละก็จะบอกว่ารู้แค่นั้นไม่พอหรอกจะไปพออะไรกันมองเห็นรู้ว่าอันนั้นอร่อยแถมแต่งสีสวยน่ากินตันหาบอกว่าอยากกินลองกินเข้าไปสิก็เหมือนใส่ยาพิษให้ทีละน้อยนานไปในระยะยาวจะแย่แน่ๆถึงอันน้อนก็เถอะ ไม่ถึงกับมียาเทียมพิษตันหาว่าอร่อยอยากนักลองกินเปิบเข้าไปเปิบก็ไปตามใจตันหาสิไม่ช้าหรอกจะเป็นโรคอ้วนรู้แค่นั้นไม่พอเลยความรู้แค่นั้นใช้ไม่ได้แค่รู้สึกเท่านั้นเองก็เอาชื่อชั้นไปใช้แต่ที่จริงไม่ใช่ยังไม่เป็นปัญญาเป็นความรู้โง่โง่เป็นอัญญาเท่านั้น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 อย่าไปเลยโรงเรียนฟังวิชาทำกิจกรรมทักษะเหนื่อยยากไม่สนุกสนานบอกเจตนาสั่งการให้หนีเรียนไปเที่ยวสถานอบายมุกแทนเมื่อปัญญาพัฒนาขึ้นไปเป็นปัญญาจริงนอกจากรู้ว่าที่ไหนมีอะไรอันนั้นอันนี้เป็นอะไรแล้วก็รู้ได้ว่าที่ชีวิตต้องการจะเป็นชีวิตดีงามมีความสามารถสมบูรณ์ดี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 ให้สั่งการไปขืนอยู่อย่างนี้ในที่สุดชีวิตจะแย่เอาดีไม่ได้เป็นอนว่าเมื่อปัญญาแท้ตัวจริงมารู้ว่าจะตามใจตัณหาเอาตามที่ตัวชอบตัวอยากว่าจะได้เสพได้สนุกเท่านั้นไม่ได้จะก่อปัญหาผ่าทุกทโทษภัยมาให้กระบวนการอวิชชาตัณหาเจตนาก็สะดุดหยุดชะงักหรือ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 พร้อมทั้งมองเหตุผลและความสัมพันธ์อิงอาศัยกันของสิ่งทั้งหลายแล้วปัญญาก็บอกได้ว่าจะให้ชีวิตมีสุขภาพดีควรกินอันนั้นอันนั้นควรอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นควรจัดสภาพแวดล้อมเช่นนั้นเช่นนั้นควรทำกิจวัตรวิธีนั้นวิธีนั้นควรบริหารร่างกายบริหารจิตใจรู้จักใช้เวลาอย่างไรอย่างไรเป็นต้นแต่สิ่งที่ปัญญาบอกทั้งหมดนี้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 อะไรดีมีคุณค่าเป็นประโยชน์และจะทำให้ดีงามสมบูรณ์ได้อย่างไรแล้วฉันทะก็ต้องการให้ดีงามสมบูรณ์และอยากทำให้ดีงามสมบูรณ์อย่างนั้นตามด้วยเจตนาก็สั่งให้ชีวิตร่างกายเคลื่อนไหวทําอะไรอะไรไปตามนั้นเมื่อมนุษย์พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นชีวิตก็ปลดรถกระบวนงานของอวิชชาตันหาเจตนาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาวิชชาตันหา อกุศลกรรมให้เข้ามาปฏิบัติการได้น้อยลงไปน้อยลงไปพร้อมกันนั้นก็เปิดให้กระบวนการที่ก้าวหน้าของปัญญาฉันทะเจตนาหรือเรียกให้ชัดขึ้นอีกว่าปัญญาฉันทะกุศลกรรมเข้ามาดําเนินการมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นวิถีชีวิตของอริยชนในที่สุดเมื่อปัญญาแท้มาปัญญาเทียมคืออวิชชาหลีกหลบไป พอปัญญาแท้บอกอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าชีวิตต้องการสุขภาพที่ดีโดยมีวิธีธรรมวิธีปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่ปัญญาแท้บอกนั้นไม่ถูกใจอย่างที่ตันหาชอบอย่างที่ตันหาอยากเอาอยากเสพเลยเป็นอันว่าตันหาชอบใจเมื่อได้อวิชาคอยผาเนผนอแต่พอปัญญาแท้มาตันหาไม่เอาด้วยและอยู่ไม่ได้ตอนนี้แหละ ชันทะจะได้โอกาสพอปัญญาบอกให้ว่าชีวิตจะดีงามสมบูรณ์มีสุขภาพได้สิ่งนี้มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างนี้อย่างนี้ควรปฏิบัติจัดทำอะไรต่างๆอย่างนี้อย่างนี้ชันทะที่อยากให้ดีงามสมบูรณ์และอยากทำให้ดีงามสมบูรณ์ก็เข้ามารับเรื่องจากปัญญาแล้วก็แจ้งจูงเจตนาให้สั่งการบัญชาออกมาเป็นการกระทาทั้งหลายที่จะให้สาเร็จผลตามนั้น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 ในสายขบวนของอวิชชาตันหานั้นพอเริ่มต้นโดยมีความรู้สึกชอบใจหรือไม่ชอบใจขึ้นมาอยากได้อยากเอาอยากเสพก็จะเกิดมีตัวตนขึ้นมารับสมอ้างเป็นผู้ได้เป็นผู้เอาเป็นผู้เสพขึ้นมาทันทีแล้วแน่นอนก็ย่อมมีเป็นคู่กันขึ้นมาว่าเป็นตัวเราตัวกูผู้ได้ผู้เอาผู้เสพกับสิ่งที่จะเอาจะได้จะเสพ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 จะได้แน่ใจที่จะเสพจะได้ให้มากที่สุดโดยไม่มีตัวอื่นมาขัดขวางได้รวมทั้งถ้าเจอสิ่งที่ไม่อยากไม่ปรารถนาไม่ต้องการก็จะต้องพ้นไปให้ได้จะต้องกําจัดทําลายหรือถ้าไม่ไหวก็ตีกลับมาบางทีถึงกับอยากให้ตัวเราตัวกูวนี้มาลายตายหายสูญจากมันไปแต่ในกระบวนของปัญญาฉันทะนั้นตรงกันข้าม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 ที่เป็นแรงจูงใจให้คนทำการหรือทำกรรมต่างๆนั้นมีสองอย่างได้แก่หนึ่งตัณหาคือความอยากเสพอยากได้อยากเอาเข้ามาให้แก่ตัวเอามาบำเรอตัวอยากให้ตัวเป็นหรือไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความต้องการเพื่อตัวตนสองฉันทะ